จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบารสุบาศกุบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่ส1อธันวาคมพุทธศักราช2 5 52เป็นวันพระวันธรรมัสสวนา วันฝั่งธรรมและเป็นวันสุดท้ายของปี2552เป็นวันส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่จึงเป็นวันที่ดีสำหรับการมาชำระใจของเราให้สะอาดเพราะใจของเรานี้เปรียบเหมือนกับจานอาหาร ถ้าเรามีอาหารเก่าไว้บนจานเราก็ไม่สามารถตักอาหารใหม่ที่ดีกว่าเก่าใส่ไปในจานได้เราต้องเทอาหารเก่าที่ไม่ดีทิ้งไปก่อนแล้วก็ล้างทําความสะอาดจานให้สะอาดเพื่อเราจะได้ตักอาหารใหม่ที่ดีที่มีรสชาติที่ดีให้กับ เรารับประทานใจของเราก็เป็นฉะนั้นใจของเราก็เป็นภาชนะที่รองรับสิ่งต่างๆทั้งดีและไม่ดีวันนี้เราต้องการมาชำระสิ่งที่ไม่ดีของเราออกจากใจแล้วเอาสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ใจของเราสิ่งที่ไม่ดีก็คือความตนี ความเห็นแก่ตัวเราก็ใช้จาคะคือความเสียสละและทานการให้มาทดแทนถ้าเรามีความเห็นแก่ตัวมีความตนดีเราจะมีจิตใจที่คับแคบจะไม่มีความสุขใจถ้าเรามีจาคะค์มีทานมีการให้ อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มานำเอาสิ่งต่างๆมาถวายพระเป็นการเปิดใจให้กว้างเปรียบกันระว่างการอยู่ในห้องแคบๆหรืออยู่ในตู้กับอยู่ในบ้านหลังใหญ่กวา้วางใหญ่ไพศาลอย่างไหนจะมีความสุขกว่ากันใจแคบก็เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าส่วน ใจกว้างก็เหมือนกับคนที่อยู่ในข้าราหัดอันใหญ่โตดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องมากําจัดความตนิมากําจัดความเห็นแก่ตัวด้วยการให้เนื้อว่าถานและด้วยการจาคะคือการเสียสละสละประโยชน์สุขที่เรามีเหลือเฟือ เกินความจำเป็นให้แก่ผู้ที่เขามีความทุกข์ยากลำบากบ้างให้ทานให้เงินให้ทองให้ข้าวของช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนขาดแคลนปัจจัยสี่เราทำอย่างนี้เราก็จะได้ชำระใจของเราให้สะอาดเอาอาหารของที่ไม่ดีทั้งหลายทิ้งไป แล้วเราก็ตักอาหารคือธรรมะเข้าสู่ใจของเราใจของเรานี้ไม่ต้องการอะไรในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความสุขให้ความเจริญแก่ใจได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นวัตถุเป็นธาตุสีเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไม่เหมาะกับใจธาตุสีนี้เหมาะกับต้นไม้เหมาะกับร่างกายของเรา ร่างกายของเราต้องมีธาตุสี่เวลาเรารับประทานอาหารนี้เราก็เอาธาตุทั้งสี่เข้าไปเราดื่มน้ำก็เป็นธาตุน้ำเรารับประทานอาหารกับข้าวกับปลาของเคาวของหวานก็เป็นทั้งดินเป็นทั้งน้าเป็นทั้งไฟเพราะเมื่อกินอาหารเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะเกิดอาการอบอุ่นเกิดความร้อนขึ้นมา เพราะอาหารเมื่อได้เข้าไปในท้องแล้วก็เริ่มมีปฏิทิริยาธาตุไฟที่มีอยู่ในอาหารก็ถูกปล่อยออกมาทำให้ร่างกายเราอบอุ่นมีพลังงานมีกำลังที่จะทำอะไรต่างๆได้นี่ก็เรื่องของธาตุสีดินน้ำมลไฟเหมาะกับร่างกายเหมาะกับต้นไม้ใบหญ้าแต่ไม่เหมาะกับใจ เพราะใจเป็นนามธรรมใจไม่ได้เป็นรูปประทรมใจไม่ได้เป็นวัตถุเหมือนร่างกายใจสิ่งที่ใจต้องการก็คือธรรมะหรือบุญกุศลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราทำกันนั่นเองนี่คืออาหารของใจที่จะมาทำนุบำรุงใจของเราให้มีความสุขมีความเจริญ ดังนั้นเราต้องหาอาหารมาให้ใจบ้างอย่ามัวแต่หาอาหารมาให้แต่ร่างกายอย่างเดียวส่วนใหญ่เรามักจะให้ยาพิษแก่จิตใจของเรามากกว่าให้อาหารอะไรคื อ, อยาพิษของใจก็คือความโลภความอยากต่างๆเวลาเราโลภอยากได้สิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่นอยากไปเที่ยวอยากซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการป้อนยาพิษให้แก่ใจเพราะไม่ได้ทำให้ใจมีความอิ่มเอิบแต่อย่างใดแต่กลับจะทำให้ใจนี้มีความหิวมีความอยากมากขึ้นเช่นครั น, นี้เราไปเที่ยวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เหมือนเดิมยังอยากจะไปเที่ยวต่ออกีกมันไม่มีความอิ่มความพอ แล้วก็จะทำให้เราต้องลำบากต่อการหาเงินหาทองเพื่อมาเที่ยวเพื่อมาใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วถ้าเราไม่ระมัดระวังเราจะไม่มีเงินพอใช้เพราะซื้อเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่นไม่พอแต่มันกลับอยากจะซื้อเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้เป็นสินไปสมัยนี้เป็นหนี้ง่ายเพราะมีบัตรให้รูด ก, กัน พอเห็นอะไรอยากจะได้ถ้าไม่มีสติไว้คอยยับยัง้งก็จะซื้อมา ท, าทันทีรูดมาก่อนแล้วก็ต้องมาปวดหัวตอนที่ต้องใช้หนี้เขาแต่สิ่งที่ได้มาไม่ได้ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดกลับมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเนื่องจากสร้างหนี้สินต่างๆให้มีมากขึ้นไปนั่นเองนี่คื อ, อยาพิษของใจอย่าไปป้อน ยาพิษให้แก่ใจพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราใช้หลักมักน้อยสันโดษเพื่อป้องกันหลือปราบปาลยาพิษที่เกิดจากความฟุ้งเฟ้อเหอเหอิเกิดจากความโลภอยากได้อยากซื้ออยากใช้เงินเพราะมันจะทำให้จิตใจต้องมาทุกขทรมารในภายหลังถ้าเรามีความมักน้อยสันโดษแล้วเราจะสามารถ ป้องกันยาพิษเข้ามาสู่ในใจของเราได้คำว่มามักน้อยก็คือให้ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นร่างกายต้องการอะไรก็ให้เท่าที่จําเป็นคือไม่น้อยจนเกินไปแต่ไม่มากจนเกินไปไม่ถูกจนเกินไปและไม่ต้องแพงจนเกินไปให้พอดี mm hmm. เช่นอาหารไม่จําเป็นจะต้องไปรับประทานอาหารตามร้านอาหารต่าง หรือตามโรงแรมซึ่งมีราคาแพงรับประทานอาหารตามข้างถนนก็เป็นอาหารเหมือนกันรับประทานแล้วร่างกายก็ได้รับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันมีความอิ่มเหมือนกันอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดเหมือนกันแต่เงินทองไม่หมดไปหมดไปเพียงหนึ่งในสิบหนึ่งในหเท่านั้นเอง เราทำให้กินได้ถึงห้ามื้อ10บมือ้อถ้าไปกินในโรงแรมไปกินในร้านที่มีราคาแพงๆก็กินได้มื้อเดียวอีกกลางมื้อก็ต้องอดถ้าไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารต่อไปพรจะพุทธเจ้าถึงทรงสอนให้เรามากน้อยให้เราประหยัดให้เราใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทรงสอนให้สันโดษ คำว่าสันโดษหมายถึงว่าให้ยินดีตามมีตามเกิดตามฐานะของเรามีอะไรก็กินไปตามสถานภาพของเราเห็นคนอื่นเขากินดีกินอะไรแพงๆ แ, แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะซื้อมาก็อย่าไปกินตามเขาโบราณท่านบอกว่าเห็นขี้อย่าขี้ตามช้างเห็นคนรวยเขาอยู่อย่างไรเขากินอย่างไร เราเป็นคนยากจนเราอย่าไปอย่าไปทำตามเขาเพราะเราจะลำบากเพราะเราจะเป็นหนี้เป็นสินเวลานีหนี้นี้มันทุกข์ทรมานใจเพราะจะต้องคอยหามาใช้เขาแล้วถ้าหามาไม่ได้ก็ต้องคอยหลบหน้าเขาแล้วก็ต้องคอยหวาดระแวงว่าเขาอาจจะมาทำร้ายเราต่อไปถ้าเราไม่ใช่หนี้เขา ดังนั้นถ้าเรามีความมากน้อยมีความสันโดษเราจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอย่างแน่นอนเพราะเงินทองของเราจะมีเหลือใช้เพราะรายได้ของเรานี้มันมีมากเกินต่อความต้องการของร่างกายของเราเงินส่วนใหญ่ของเรานี่หมดไปเพราะความสุ่มเฟื่วยมากกว่า แทนที่จะรับประทานอาหารมื้อละห้าสิบบาทก็ไปรับประทานอาหารมื้อละห้าร้อยบาทแทนที่จะซื้อสบู่ก้อนละสิบบาทก็ไปซื้อสบู่ก้อนละห้าสิบบาทมาใช้ของที่ไม่จำเป็นต่างๆอย่าไปซื้อมาเครื่องสำอางต่างๆอย่าไปซื้อมาเสียเวลาเสียเงินเสียทองเรามาเสริมสวยทางจิตใจเราดีกว่าความสวยงามของคนเราที่แท้จริงนี้อยู่ที่ศีลธรรม คนที่มีศีลนี้เป็นคนที่น่าเริ่มเ่มใส่น่าศรัทธาน่าเคารพน่ายินดีคบค้าสมาคมคนที่ไม่มีศีลต่อให้ใช้เครื่องสมอาง ร, ราคาแพงๆ แ, แต่งหน้าทาปากทำผมใส่เสื้ออภรสวยงามอย่างไรก็จะไม่เป็นที่ประทับใจเพราะถ้าไม่มีศีลเช่นเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริต ไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยดัยงนั้นอย่าไปเสียเงินเสียทองให้เปล่าประโยชน์เลยความจริงเราก็อาบน้ำด้วยสบู่ก็พอแล้วทาแป้งนิดหน่อยก็พอแล้ววิภ้าวิผมนี่ก็ไปวัดไปวาได้แล้วไปไหนได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องซื้อเครื่องสำอางราคาแพงๆสั่งมาจากเมืองนอกใช้ไปก็เท่านั้นแหละ มันไม่ได้ทำให้เราสวยงามขึ้นแต่อย่างใดคนที่เขามีตามีปัญญาเขาไม่ได้ดูที่รูปนหน้าตาอย่างเดียวเขาดูที่ความประพฤติมากกว่าว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตหรือไม่ถ้าเป็นคนตอแหลโกหกหลอกลวงเป็นคนชอบยุ่งกับสามีย่งชอบยุ่งกับภรรยาช่องยุ่งกับแฟนของชาวบ้านเขา อย่างนี้ไม่มีใครอยากจะยุ่งด้วยไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยไม่มีใครอยากจะเอามาเป็นคู่ครองเพราะใจไม่สวยนั่นเองถึงแม่ร่างกายจะสวยอย่างไรก็ตามมันจะจางไปทันทีเมื่อได้อยู่ร่วมกันเวลาไม่ได้อยู่ร่วมกันก็พอหลอกกันได้แต่พออยู่ร่วมกันแล้วก็จะเห็นนิสัยที่ไม่ดีออกมาก็จะทนอยู่ด้วยกันไม่ได้ จึงขอให้เราให้รู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์ทั้งกับร่างกายและกับใจของเราร่างกายก็ใช้แบบมากน้อยสันโดษใจของเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กังวลกับเรื่องการหาเงินหาทองที่ไม่พอใช้หรือต้องไปคอยใช้หนี้กู้หนี้ยืมสินแล้วก็ต้องไปคอยใช้หนี้ทาให้เป็น เป็นภาระแก่จิตใจอย่างมากจะไม่มีความสุขเลยถึงแม้จะแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าอภรรที่สวยงามแต่ใจมันไม่สงบมันไม่มีความสุขนี่คือการมามาเปลี่ยนตัวเราคนเราจะเปลี่ยนตัวเรานี้ต้องเปลี่ยนข้างในไม่ใช่เปลี่ยนข้างนอกไม่ไปเปลี่ยนชื่อไม่ไปเปลี่ยนทรงผม ไม่ไปเปลี่ยนนามสกุลไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเป็นการจัดฉากเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนี้ต้องเปลี่ยนที่ภายในใจคือไม่ทำบาปถ้าเคยทำบาปก็ไม่ให้ทำบาปเช่นถ้าไม่เคยรักษาศีลห้าก็ให้รักษาศีลห้าถ้าไม่เคยทำบุญให้ทาน ก็ให้ทำบุญให้ทานถ้าไม่มีความเมตตาการุณาก็ให้มีความเมตตาการุณาเหล่านี้เป็นการกระทําที่จะเปลี่ยนตัวเราจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนวิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ดีที่เรากราบไหว้บูชายกย่องสรรเสริญก็เพราะว่าท่านเป็นคนดี เมื่อก่อนนี้ท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็มีความโลภโมโทสันเหมือนเรามีความโลภความโกรธความหนงมีความเห็นแก่ตัวมีความตะนี่มีความวุ่นวายใจมีความฟุ้งซ่านแต่หลังจากที่ท่านได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นําเอาไปปฏิบัติเอาไปเปลี่ยนชีวิตของท่านให้ กลายจากคนธรรมดาขึ้นมาเป็นพระ อ, อริยรเจ้าเป็นบุคคลที่วิเศษเป็นบุคคลที่น่ากราบว่าบูชาเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมมีความเมตตากราุณามีความเสียสละมีความสงบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละคือการเปลี่ยนชีวิตของเรา เราต้องเปลี่ยนภายในเปลี่ยนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้เปลี่ยนก็คือให้เราทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เราละบาปทั้งปวงแล้วให้เราชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่ทําให้ใจของเราเศร้าหมองหรือโสโครกก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ นี่คือวิธีที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความวิเศษให้แก่ชีวิตของเราอยู่ตรงนี้อย่าไปเสียเวลากับการหาความสุขจากทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่าไปหาความวิเศษจากการได้รับตำแหน่งต่างๆได้รับรางวัลต่างๆสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เราวิเศษขึ้นมา แล้วถ้าเราไม่ระมัดระวังมันจะกลับทำให้เราเลวลวงไปด้วยซ้าไปเช่นถ้าเราแสวงหาเงินหาตำแหน่งด้วยวิธีที่ทุจริตอย่างนี้ถึงแม้เราจะได้ได้ตำแหน่งมาได้เงินได้ทองมาแต่จิตใจของเราจะเสื่อมลงไปเช่นเราไปช่อโกงไปหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ได้เงินได้ทองมาเป็นจำนวนมาก อย่างนี้เป็นการทำผิดศีลอดีนาคือการลักทรัพย์จิตใจที่ทำผิดศีลก็เสื่อมลงไปตามตามการกระทำของตนมนุษย์เหล่านี้ที่จะเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงนี้ต้องมีศีลห้าเป็นปกติถ้าขาดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแล้วถือว่าจิตใจเสื่อมลงไปสู่ความเป็นเดราาัจฉาน ถ้าเราเปรียบเทียบมนุษย์กับเดรัชานเราจะเห็นข้อแตกต่างกันเช่นข้ออธินาอนี้มนุษย์เราจะเอาอะไรของใครมานี้ต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่เช่นนั้นถ้าอยากได้อะไรก็ต้องหามาเองด้วยความสุจริตไปทางานทากา ร, การหาเงินหาทองได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อมาแต่ถ้าเป็นเดรัชานเช่นสุนัข เขาอยากจะกินอาหารที่เราเผลอวางไว้อยู่เขาก็คว้ามับไปเลยเขาไม่มาขออนุญาตก่อนเพราะนั้นเป็นนิสัยของเดรัจฉานเดรัจฉานนี้จะไม่มีศีลห้าเดรัจฉานนี้จะฆ่ากันเพื่ออาหารสัตว์นี้เขาฆ่ากันกินกันเองสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยเขาไม่มีเขาไม่มีคู่ครองของใครของมันอย่างมนุษย์ เขาอยากจะเสกกามกับใครเมื่อไหร่เขามีโอกาสเขาก็จะเสกกันเขาอยากจะได้อะไรอยากจะกินอะไรเขาไม่สนใจว่าเป็นของใครเขาจะคว้ามักมากินเลยนี่คือนิสัยของเดรัฉานถ้าเราถึงแม้จะมีร่างกายเป็นมนุษย์อยู่นี้แล้วทาเหมือนกับเดรัฉานก็แสดงว่าใจของเรานี้ ได้เสื่อมลงไปแล้วได้เป็นเดรัจฉานแล้วและเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาเกิดใหม่ก็จะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เพราะคุณสมบัติขาดคุณสมบัติเหมือนกับเวลาเราเดินทางจะขึ้นรถต้องตีตั๋วก่อนตั๋วก็มีหลายราคามีชั้นพิเศษมีชั้นธรรมดาถ้าเรามีเงินแค่ซื้อ ตัวชั้นธรรมดาเราจะไปนั่งชั้นพิเศษไม่ได้เช่นเดียวกับการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นชั้นพิเศษส่วนการไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี้เป็นชั้นธรรมดาถ้าเราไม่มีสีนหน้าเราก็จะไม่สามารถตีตั๋วเพื่อซื้อพบของมนุษย์ได้เราก็ต้องไปซื้อพบของเดรัจฉาน ไปเกิดเป็นสุนัขบ้างเป็นแมวบ้างเป็นนกบ้างเป็นปลาบ้างเพราะนี่คือหลักของกา ร, รนึกกฎแห่งกรรมทำอะไรแล้วย่อมมีผลตามมาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันก็มีจิตใจที่สะที่รุ่มร้อนมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจมากขึ้นถ้าทำผิดศีลทำบา ตายไปก็จะต้องไปเกิดในภพที่ต่ำกว่าของมนุษย์ไปเกิดเป็นเดรัจชานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่ทำว่ามีหนักมีเบาอย่างไรถ้าทำไปด้วยความจำเป็นเช่นอดข้าวอดปะาอดอยากขาดแคลนแล้วต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนกับสัตว์ที่เขากินกันนี้ก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจชาน แต่ถ้าทำไปเพราะความโลภมากทั้งๆ ท, ที่พอมีพอเกินอยู่แล้วแต่ยังอยากได้มากๆก็เลยต้องไปทำบาปทำกรรมด้วยวิธีต่างๆไปช่อโกงบ้างไปลักขโมยไปป้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่นเพื่อให้ได้สมบัติที่ต้องการมาท่านว่าตายไปแล้วจะต้องไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรต แล้วถ้าทำบาปเพราะความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นเช่นเวลาถูกใครเขาทำอะไรแล้วมีความอาฆาตพยาบาทร่างแค้นทำให้เขาถึงถึงแก่ชีวิตไปตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คือเรื่องของเหตุคือการกระทาและผลที่จะตามมาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อทำไปแล้ว มันก็จะต้องมีผลตามมาอย่างแน่นอนพวกเราที่มาเกิดต่างกันนี้ก็เพราะเราทําบุญทํากรรมมาไม่เท่ากันบางคนก็ทําบุญมามากกว่าทําบาปบางคนก็ทําบาสมามากกว่าทําบุญมาเกิดจึงมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่เหมือนกันบางคนก็สวยงามบางคนก็ไม่สวยงามบางคนก็ผิวพรรณผ่องใสบางคนก็ไม่ผิวพรรณผ่องใส บางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจนบางคนก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนานบางคนก็มีอาการไม่ครบ32มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้นเหล่านี้เกิดจากการทําบาปทําบุญมาในอดีตชาตินั่นเองจึงทําให้พวกเรามีความแตกต่างกันนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทําบา หรือทำบุญจะเชื่อไม่เชื่อหรือก็ตามเพราะผลมันก็สแสดงให้เห็นอยู่แล้วอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลมาจากการทำบุญทำบาตรในอดีตชาตินั่นเองเหมือนกับเราจะเชื่อกฎหมายหรือไม่เชื่อกฎหมายก็ตามจะรู้หรือไม่ก็ตามเช่นตอนนี้เขามีกฎหมายไม่ให้พูดคุยโทรศัพท์ในขณะขับรถยนต์ เรารู้หรือไม่รู้ก็าตามถ้าเราไปทำผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเข้าเขาก็จับเราได้ปรับเราได้มีกฎหมายหลายอย่างที่เราไม่รู้กันแต่เมื่อถูกตำรวจจับเราก็จะไปอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เขาบอกว่าไม่การไม่รู้นี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้พ้นโทษเช่นเดียวกับการไม่รู้กฎแห่งกรรมนี้ก็จะไม่ได้ทำให้เราพ้นจาก ผลของกา ร, รมที่เราก็ทำกันดังนั้นคนฉลาดจึงควรที่จะอย่าประมาทเชื่อไว้ก่อนดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสารโลงนี้เชื่อได้ร้อยเปอร์ซ็เลยเชื่อได้อย่างตายใจเลยเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์ไม่มีคำว่า มูษาเลยแม้แต่คำเดียวคำสอนของท่านทุกบททุกบาทจะมีมากน้อยเพียงไรก็ตามเป็นความจริงทั้งนั้นเป็นความจริงที่เราเชื่อได้อย่างตายใจพวกเราถ้าเปรียบ ก, กับท่านก็เป็นเหมือนคนตาบอดท่านเป็นเหมือนคนตาดีท่านเป็นคนพาเราเดินเราเดินตามท่านไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าท่านจะพาเราไปตกหนุ่มตกบอ่อตกเหวแต่อย่างใด ท um> <S an> ่านจะพาเราไปที่บ้านของเราได้อย่างปลอดภัยบ้านของเราหรือบ้านของใจเราก็คือพระนิพพานนี้เองเป็นที่เดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายบ้านอื่นนี้ยังไม่ปลอดภัยไปเกิดบ้านของพมก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะบ้านของพมก็ยังเสื่อมได้พังได้บ้านของเทพก็เสื่อมได้หมดไปได้บ้านของมนุษย์ก็เสื่อมได้หมดไปได้ บ้านของเดราฉานก็เช่นเดียวกันมีบ้านของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่เป็นบ้านที่ถาวรที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงก็คือพระนิพพานถ้าเราอยากจะได้อยู่บ้านที่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายคือทุกขที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองถ้าเราถึงบ้านคือพระนิพพานนี้แล้วเราก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายต่อไปเราจะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอริยสงสาวกนี้ดังนั้นขอให้เราเชื่อกฎแห่งกรรมให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่สอนให้พวกเราทำดีละ บ, บาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีเดียวเท่านั้น ที่จะพาให้เราได้ไปถึงบ้านที่ปลอดภัยของเราบ้านที่เรียกว่ามีแต่ปรมังสุขขังบามมสุขปรมังแปลว่าบาลมสุขขังแปลว่าความสุขความสุขที่ต่างจากความสุขที่พวกเรามีกันในโลกนี้ความสุขของพวกเรานี้เป็นความสุขเหมือนควันไฟสุขเดียวเดียวก็จางหายไปแล้วแล้วก็มีความไม่สุขหรือความทุกข์เข้ามาทดแทนที่ ทำให้พวกเราต้องวิ่งหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆเช่นวันนี้ก็คืนนี้ก็จะไปหาความสุขกันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอหลังจากนั้นอีกสองวันต้องไปทำงานก็ความสุขก็หายไปหมดแล้วความทุกข์ก็กลับมาเช่นเดิมนี่คือความสุขของพวกเราเป็นอย่างนี้แต่ความสุขของพระนิพพานนี้จะเป็นความสุขที่อิ่มที่พออยู่ตลอดเวลา ไม่มีความหิวไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดเชื่อพระอริยสงสารโกเถิดว่าท่านจะพาให้เราไปสู่บ้านที่ดีจริงๆบ้านที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวบ้านที่ไม่มีความสุขเข้ามาเหยียบย่ำจิตใจของเราเลยด้วยการพยายามประพฤติปฏิบัติอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ วันนี้ท่านมาชำระใจชำระความโลดความโกรธความหลงแล้วก็เอาบาปกรรมทั้งหลายโยนทิ้งไปเมื่อกี้ก็ได้สมาทานศีลห้ากันแล้วแสดงว่าอาหารเก่าคือวิถีชีวิตแบบเก่าๆ เ, เช่นโกหกหลอกลวงรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเศษสุรายาเมาเรายโยนทิ้งไปแล้วมันเหมือนอาหารจานเก่าอาหารบูดแล้วอย่าไปเก็บเอาไว้ เอามันทิ้งไปแล้วก็ชำละล้างใจของเราล้างจานให้สะอาดแล้วก็เอาบุญเอากุศลมาใส่แทนแล้วเราจะได้อาหารอันโอชะที่จะทําให้ใจของเรามีความอิ่มมีความสุขไปตลอดทั้งปีนี่คือการสร้างพรที่แท้จริงพรนี้ให้กันไม่ได้การที่เราให้เรากล่าวว่าขอให้สุขให้เจริญนี้ เป็นการแสดงความปรารถนาดีเท่านั้นเองแต่ไม่มีใครให้ความสุขความเจริญแก่กันได้เราต้องสร้างกันขึ้นมาเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้สร้างความสุขและสร้างความเจริญให้แก่ตนเองแม้แต่พระพุทธเจ้าถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนก็ตามก็ไม่สามารถสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่พวกเราได้ พวกเราต้องสร้างกันเองด้วยการอาศัยคำสั่งสอนของท่านเป็นผู้นำทางเท่านั้นเองจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าความสุขและความเจริญนี้อยู่ที่การกระทำของเราเช่นเดียวกับความทุกข์และความเสือ่อมก็อยู่ที่การกระทำของเราขอให้เราทำแต่ความดีเพื่อความสุขและความเจริญและขอให้เราละความชั่วละบาปเพื่อ ชำระความทุกขความเสื่อมทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจของเราแล้ววันปีใหม่คือวันทุกนี้ก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญรอเราอยู่อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ แ้วพลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั <c oughs> ่วหน้ากันเธอ